ที่ผู้อื่นบันดาลให้ที่ครอบครองที่ไม่ได้ครอบครองที่หวงแหนที่ไม่ได้หวงแหนธรรมที่เป็นกามาวจรแม้ทั้งหมดธรรมที่เป็นรูปาวจรแม้ทั้งหมดธรรมที่เป็นอารมปาวจรแม้ทั้งหมดซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาเป็นอารมณ์ของตัณหาชื่อว่ากามด้วยอัตถว่าเป็นที่ตั้งแห่งความอยาก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 ด้วยความเสี่ยงชีวิตเป็นอันมากอย่างเป็นภาระอันหนักแล้วเลี้ยงถารกที่เกิดนั้นด้วยโลหิตของตนภิกษุทั้งหลายในธรรมเนียมของอริยชนถือน้านมของมารดานิว่าคือโลหิตในอุปาลีสูตรอังคุตรนิกายทัศกานิบาทพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับท่านพระอุปาลีว่าเด็กอ่อนไร้เดียงสานอนหงายแบบา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 ดังบาลีในมาคันทยสูตรมัชฌิมานิกายมัชฌิมปันนาธพระองค์ได้ตรัสกับมาคันทยะปริภาชกว่าดูก่อนมาคันทยะเรานี้แหละครั้งก่อนเมื่ อ, อยังครองเรือนอยู่มีกามกุณทั้งห้าพรั่งพร้อมเต็มที่บำรุงบำเรอด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโพัพะทั้งหลายที่หน้าปราถนาหน้าใคร่หน้าชอบใจ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 ได้รับการบำรุงบำเรอเขาประพฤติสุดจริตเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ในหมู่เทวดาชั้นดาวดึงเทพบุตรนั้นแวดล้อมด้วยหมูนางอัพษรมีการมาคุณห้าอันเป็นทิพย์พรั่งพร้อมบริบูรณ์ปรนเปลอยอยู่ในสวนสวรรค์นันทวันเทพบุตรนั้นมองเห็นคเรือหบดีหรือบุตรคเรืหบดีที่มีกรรมคุณห้าพรั่งพร้อมบริบูรณ์บำรุงบำเรออยู่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 ไม่นึกยินดีในความสุขที่สามกว่านั้น